นะโมตัสสะสกุลวะโตระหะโตสมะสัมพุทธะนะโมตัสสะวะโตระหะโตสมะสัมพุทธะอ ชาจภูชนียนังเอธามังกรมุตตามันเตอิมัสสะธรรมะปริยัสสะอัตโทสันทายัสสะมันเติสพจังมโตัโติใจสด รับฟังโอว่าธรรมซึ่งเป็นธรรมธรรมสอนของโองคสรรมเด็จพระสินวนรวรมหาสัมุทเทาในวันนี้สธาญาณโยมอุบาสมบทิปสิกาพุทธศาสนิกชนหรือพุทธบริษัตทบริษัทสี จานวนสองบริษัทคืออุบาสกอุบาสิกาและก็รวมภิกษุสามนเณรด้วยเดี๋ยวเป็นวันรวมแห่งบริษัททั้งสิซึ่งเป็นหุ้นส่วนแห่งพระพุทธศาสนา เป็นหุ้นส่วนของพระพุทธเจ้าผู้เป็นมรมครูเป็นศาสดา์ดของโลกที่ได้ประกาศสอนธรรมะหรือที่บอกหนทางที่จะออกจากความทุกข์เพราะโลกนี้เป็นโลกที่ตกอยู่ในว่องแหวน ความทุกข์ความทรมานทุกกายทุกใจเพราะฉะนั so, ้นหาปรมาสาสาสมพุทธเจ้าสร้างบารมีเพื่อความเป็นพระพุทธเจ้าเรียกว่าเป็นผู้นําพุทธบริสัตธทั้งหลายเป็นผู้ลือสัตว์ผลสัตว์เรียกว่ายก สัตววโรโคคือโมสัตวให้ออกจากห่วงแห่งความทุกข์รมานพระองค์ทรงเป็นบา ร, รมีมาเสียสงไขยแสนมหากรกเป็นเวลายาวนานมากควัวจะได้สุ้เร็จตามความประสงค์ของพระองค์ท่าน เมื่อสำเรัจเมื่อสำเร็จแล้วพระองค์ได้กระทำกิจแห่งความเป็นพระพุทธเจ้าเือได้ประกาศสอนธรรมะพระพุทธเจา้าพระองค์ประกอบด้วยพระคุณอันประเสริฐตั้งสารประกาศได้แก่พระปัญญาคุณ พระบริสุทธิ์ที่คุณและพระมาหากรุณาที่คุณพระปัญญาคุณนันบริสุทธิ์ปัญญารูปแก้งเห็นจริงไม่เหตุและผลว่าสิ่งนี้เป็นเหตุให้เกิดทุกข์ทุกข์เกิดขึ้นเพราะสิ่งนี้ควรละเมื่อละสิ่งนี้ความสุขจะเกิดขึ้นพระองค์รูปแก้ม แทงตลอดด้วยพระปัญญาย่านอย่างรู้อย่างทราบจากการที่ได้สร้างบารมีแล้ ว, ลวนั้กถ้าทำความเห็นฝึกฝนอบรมปัญญาของพ่อออกมาเป็นสำเร็จพระบริสุทธิ์ที่คุณคุณแห่งความบริสุทธิ์บริสุทธิ์ทั้งทางกายาวาจา และพระอริยภัยดวงใจของพระองค์ไม่มีกิเลสแม้น้อยนิดีเดียวเพื่อแฝงอยู่ในพระอริยัยกิเลสคือาาความโรคความโกรธความหลงราคะโทสะโมหะไม่มีข้อบังาหลวงอริยภัยดวงใจของพระองค์นี่คือว่าเป็น ผู้บริสุทธิ์หมดจดจากอาสวชกิเลสเครื่องเศร้าหมองทั้งปวพระองค์นึงพร้อมด้วยพระมหากรุณาธิคุณอันยิญญญ่งใหญ่ภาธนาที่จะให้สัตว์ทั้งหลายพ้นจากความทุกข์ทั้งทางกายและทางใจพ้นจากทุกข์ในเบื้องตน้น พนจะทุกข์ในถ้ำก่าพ้นจากทุกข์ในที่สุดคือพ้นจ<ม>ากการเกิดแก่เจ็บตาย<ม>ซึ่งเป็นเหตุนำมาแห่งความทุกข์คือความเกิดความแก่ความเจ็บความตายท่า<ม>นกร่าวว่าชาติปีทุขาความเกิดเป็นทุกข์ชาติปีทุ ข, ททขขำความแก่ความค่ำค่า รูปโอยนั่งโอยปวดปวดควานเพราะความเจ็บความปวดตอนมเหน็ดความเหนื่อยความแก่เป็นทุกข์มาละนำติทุกขังแม่ความตายก็เป็นทุกข์กำลัง Now, ปปจะตายเป็นทุกข์แต่ถ้าตายแล้วไม่มีทุกข์กำลังดิ้นรนวัดไหวทุกข์ทรมาน เ่านเรียกว่าความตายเป็นทุกข์โสกาปรินเทวทุพัทโทมานุปายาสแม่ความทับแช่ใจความยวมแห้งใจความลำพังลำตึงลำพันความปัจฉนาสิ่งใดเสียได้สิ่งนั้นสมระสกันเป็นทุกข์นี่พระองค์มีพระปรินนามเพื่อจะให้คนจากความทุกข์เหล่านี้สิ้งได้ระกาศ สอนธรรมนำพาพุทธบ ร, ร, ริษัททั้งหลายให้กระทํามควมเพ็นและก็พิสตปฏิบัติต่อกายวาจาใจของตนเพื่อใ ห, ให้เพื่อไม่ให้เป็นไปในทางแห่งการเกิดทุกข์ให้ปฏิบัติให้เป็นไปในทางที่จะสิ้นทุกข์หมดทุกข์ พระองคมพีพระกรุณาเพราะฉะนั้นจึงสู้ ส, สู้ทนแสดงด้วยพระบาทเมื่อได้ตต่สรู้แล้วแสดงด้วยพระบาทโปรดทศกุ โ, กโรคทั้งหลายโปรดพุทธบริษัทด้วยการซี้แจกแสดงธรรมด้วยการบินทบ า, าบทบาเพื่อให้พุทธบริษัททั้งหลายได้ทําบุญทําทานไม่เห็นแก่ความทุกข์ยานนเกเห็ดเหนื่อย ของพระองค์เลยถ้าองค์ไม่คิดค่าตอบแทนในการที่บำเพ็ญบารมีแห่งธรรมากรุนาทิปุลนี้ไม่เหมือนพวกเราพวกเราเนี่ยจะทำอะไรอะไรต้องคิดค่าตอบแทนจะทำาการทำงานอะไรต้องถ้าไม่มีสิ่งที่จะได้ตอบแทน ไม่ทำแต่พระพุทธเจ้าพระองค์ไม่มีความประสงค์ไม่มีความอยากที่จะเอาอะไรเป็นเครื่องตอบแทนอยากก็อยากเพื่อให้ผู้ได้ยินได้ฟังธรรมะผูฤคิดปฏิบัติตามผู้ไม่เคยใหยทานไม่เคยหยทานเพื่อเป็นอ น, นิสงผู้ไม่รักษาศีลไม่งดเวนจากโทษจากบา ก็อยากแหงดเว้นเพื่อจะได้รับความสุขความสบายทั้งกายและใจนี่อยากก็อยากอย่างนี้ไม่ได้อยากถ้าตอบแทนอ ย, อย่างน่นอย่างนี้อย่างอื่นไม่มีในพระอริยภายดรองใจของพระพุทธองค์งพระพุทธเจ้านี่จึงว่าเป็นธรรมหากรุนาที่คุณอันหมดจด พวกเรามาเป็นพุทธบริษัทของพระองค์แล้วก็ในวันนี้ได้มารวมกันอุบาสุกวาสิกาจากทิศใต้ทิศเหนือตะวันตกตะวันออกข้างใต้และไกลได้ยินท่าว่าที่วัดอังพรนนี้จะมีการ ทำเพ็ญบุญกุศลวันครบรอบระลึกถึงโอลงโกทันพระพัสรหรือหลวงปู่พระครูประพสสอนศีลคุณซึ่งท่านได้ถึงแก่มรณภาพในวันที่เจ็ดเมษายนแต่ทางวัดกนดวันนี้วันที่เเมษายนพุทธศักราชส5 5พันี้เป็นวันรวม และวันพรุ่งนี้คือวันที่สิบเมษายนพุทธศักราชสองพันห้อก็จะเป็นวันทำบุญถวายทานดินทบาทานและรวมกันถวายกตุปัจจัยเพื่อเป็นคุณในการจัดซื้อที่ดินขยายเขตวัดเดี๋ยวว่าเียวมาให้ที่ดินเป็นฐาน แก่สงในวันคุณนี้และก็จะมีการบวชในธรรมะธรรมนีสีระขาวที่ได้พ า, ากันเสียสละจิตบา้านการเรียนเสียสละความสุขที่จะมีอยู่ึ่งจะได้ที่จะมีตามปกติของเรามาสู่สถานที่แห่งนี้มาเพื่ออะไรมาเพื่อ ตัดตัวเอาบุญกุศลคุณงาความดีมาเพื่อสร้างตนของตนให้เป็นความดีทางกายทางว่าจจและทางจิตใจเลาตั้งใจมาเพื่อจะเอาบุญเอากุศลมาสร้างเหตุให้เกิดความเป็นบุญหรือว่ามา พื้นทมปฏิบัติธรรมตามคำสอนขอ ง, ของสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเพราะว่า <c oughs> การที่เราได้มารูมาเห็นมากราบมาไหวร้รูวาจารย์หรือมาร่วมในพิธีแห่งการทำบุญให้ทาน รักษาศีลฝังธรรม ะ, จะเจริญเมตตาภาวนานี่เป็นเหตุที่จะให้เกิดความสุขเป็นเหตุที่จะได้เกิดผลดีแอ่จิตใจของเราเนี่ <c oughs> เพราะฉะนั้นจึงได้มาสู่สถานที่นี้ <c oughs> เพื่อจะได้ยินได้ฝังธรรมะ เข้าใจในเห็นและผลตามความเป็นจริงเพื่อจะได้ละความเห็นอินและจะได้พุทธปฏิบัติตามทางที่ถูกต้องคือทางแห่งความสำเร็จให้เกิดความสุขทั้งทางกายและทางจิตใจที่นำมาซึ่งทรัพสมบัติเครื่อง ใช้เครื่องงาสัยต่างๆได้ิงได้มาเมื่อมาแล้วก็ได้ฟังพระสงฆ์เจริญพุท้มนมดเป็นการแสดงธรรมโดยอัฐาบารีเราไม่เข้าใจบางครามก็เข้าใจและโอกาสนี้เป็นโอกาสที่จะฟังธรรมะซึ่งต่มาจะได้นำมาอธิบาย ขยายเพื่อให้ได้ยินได้ฟังได้ให้เกิดปัญญาความรู้ความเข้าใจเพราะฉะนั้นการฟังธรรมะฟังด้วยความจดจอฟังด้วยศรัทธาความเชื่อเชื่อว่าเราได้ยินได้ฟังแล้วสิ่งที่ไม่เข้าใจก็จะได้เข้าใจแจ่มแจ้ง ท่านทิมบอกอันนี้สงไว้ในการฟังธรรมว่าจะได้ยินได้ฟังสิ่งที่ยังไม่เคยได้ยินได้ฟังสิ่งที่เคยได้ยินได้ฟังแล้วยังไม่เข้าใจชัดเจนแยงแจ่มก็จะเข้าใจชัดเจนแยงแจ้มได้บรรเทาความสงสัยบาสิ่งบางอย่างเรามีความสงสัยว่าสิ่งนี้เป็นบาสิ่งนี้เป็นบุญ ทำอย่างนี้ดีหรือไม่ดีมีความสงสัยอยู่ไม่ได้ยินได้ฟังแล้วหายหความสงสัยไม่ได้ตั้งใจจะทำในสิ่งที่ถูกต้องดีงาม่วยการรําทานาทรักษาสีนเจริญเมตตาภาวนาต่อเนื่องกันเป็นสายโซ่เพิ่มมากมวลขึ้น เรีว่าบรรเทาความสงสัยทำความเห็นให้ตรงตามความเป็นจริงจิตใจย่อมองสเบิกบานเมื่อมีปัญญาเข้าใจในสารธรรมทั้งหลายตามความเป็นจริงแล้วจิตใจของเราเบิกบานของใสนีอันิสงของการฟังธรรมะเพราะฉะนั้นการฟังด้วยดีย่อมเกิดปัญญา ในวันนี้ได้นาบทที่จะอธิบายธรรมะที่ได้ยกขึ้นในเรื่องต้นนันว่าอาศับรณาจ้าพาลนำซึ่งเป็นภาสิมาในามองคลสูมองคลสามสบปดอันนี้เป็นมองคนบนลบทแรก ธรว่าอาศัยบรรดาจาระนการไม่ซ่องเสกไม่พบค่าสมาคมกับคนพานคนพานนั้นคนอย่างไรจึงได้ชื่อว่าคนพานคนพานคือคนที่ไม่มีสติปัญญา ศรัทธาเชื่อมั่นในการทำความดีไม่รู้เหตุรู้ผลแห่งความดีว่าสิ่งเหตุอันใดจะให้เกิดผลดีเหตุอันใดจะให้เกิดผลชั่วไม่รู้ไม่เข้าใจในเหตุและผลเรียกว่าคนฐาน ทำแต่ในสิ่งที่เป็นโทษเป็นบาปเป็นกรรมคนทานย่อมไม่ยินดีในทางการให้ไม่เห็นประโยชน์ในการให้าใทานในท่านเรียกว่าคนทานถ้าผู้ใดประโยชน์ในการให้ทานในการรับทานนัานเรียกว่าเป็นบัณดิ พระราหาเวนัทประสงคสันติทานนะำคนทานเท่านั้นที่ไม่สนับสรินทานการให้ผู้ที่เป็นบัติย่อมสนับสรินการให้ทานมีพระพุทธเจ้าเป็นประมุปเป็นประธานสนับสนุนทานการให้พระพุทธเจ้าแสดงธรรมทรงยกแสดงพระบุพเกถานทรนาทาน เป็นเรื่องต้นทานที่การให้จะพัคือความเสียสละในวันนี้พวกเรามาให้ทานพวกเราเสียสละเสียสละเาแกลบบ้ามานุ่งห่มผขาวสมาทานศิบแปดสิบห้าเพื่อประพฤติปฏิบัติพร ม, มจัดคําว่าพร ม, มจั์คือการประพฤติเป็นประเสริฐ นี่มาโมเรื่องจากโทษไม่ฆ่าไม่ทำลายชีวิตผู้อื่นไม่รักไม่ถือเอาสิ่งของผู้อื่นด้วยการแอบขโมยไม่ประพฤติผิดในก่าวไม่กล่าวทำหลอกลวงอำพรางโกหกมดเท็ดไม่ดื่มกินสึ่งเครื่องดองของเมา นเป็นสิ่งที่จะทำลายประสาทสมองของเราให้เกิดเป็นโลกให้เกิดความชิดผิดเห็นผิดนี่เรามาประพฤติในการงดเว่นจากโทษมดเว่นจาบบาปแลๆๆ้วก็ประกอบกุศลตือความดีให้เกิดขึ้นด้วยการไหวพักสวดมนต์ การกราบการไหว้การกราบการไหว้การสวดเกรินพุทธคุณธรรมคุณสัมพุคุ ณ, คณเป็นการฝึกความอ่อนน้อมถ่อมตนให้เกิดขึ้นในจิตใจของเราใจของเราเป็นธรรมชาติที่รู้เป็นธาตุรู้แต่ความรู้ยังไม่ยังไม่อ่อนยังไม่แข็ง เป็นธรรมชาติรู้เฉยๆที่เรามาฝึกกราบฝึกไหว้ฝึกกราบคำสรรเสริญคุณของผู้เทศน์นควาดีท่นคุณของพระพุะทธเจ้าคุณธรรมคุณสงคุณวิดามารดาคุณของผู้มีคุณทั้งหลายนี่เป็นการฝึ ก, กจิตใจของเราที่เป็นธรรมชาติรู้ให้รู้ไปในสิ่งที่ควรหนอบน้อม ควาเคารพควรมความท้องตนเมื่อคุอย่างนี้ก็กลายเป็นจิตใจที่ไม่แข็งกระด้างความแข็งกระด้างของใจแข็งกระด้างเมื่อความถือตัวถือตนเรียกว่าทิพทิมานะทิพทิคือความเห็นมะนะความถือ เห็นผิดถือผิดหรือว่าตัวตนหรือว่าตัวตนของตนดีแล้วเก่กาจสามารถดีตัวใครๆทั้งหมดทั้งที่ดีแต่ชื่ออาการที่กระทำไม่ดีอาการที่กระทำทำแต่บาปอาปธรรมยังเป็นผู้ขาเป็นผู้รักเป็นผู้ประพฤติผิดในตามเป็นผู้ เราลวงมักทาเป็นผู้ทงสติของตนให้เคลื่อนข่ามัวเมาอยู่นั้นไม่มีความดีเลยเพราะฉะนั้นผู้ที่มีความดีแท้ก็ต้องบวนปฏิบัติด้วยลายวาจาใจให้เป็นไปในทางที่ให้เกิดความดีคือเว้นจากโทษเว้นจากบาปดังที่กล่าวมานี่ นี่เรียกว่าเป็นผู้ไม่เป็นทานความทานความเป็นทานความเป็นผิดทานภายนอกทานที่เป็นผู้เป็นคนเป็นหมูเป็นทั่วกันคนที่เป็นทานสัตว์ที่เป็นทานสัตว์เป็นทานสัตว์ที่ฝึกสอนไม่ได้ฝึกสอนไม่ได้ แล้วก็ทำลายทำร้า ย, ายผู้อื่นสัตว์ที่เป็นทานคนที่เป็นทานรวมนกันทำแต่บาทําแต่กรรมมันชั่วชาติรามกาพูดก็พูดแต่สิ่งที่เป็นโทษหาประโยชน์ไม่ได้ทําทางกายก็ทําสิ่งที่ไม่เป็นประโยชน์ทำแต่สิ่งที่เบียดเบีย น, ยนผู้อื่น สัตย์อื่นนี่เรียกว่าเป็นทานเห็นผิดเป็นชอบคนทานในยินดีในทานในยินดีในการรักษาศีลประพฤติตนให้เป็นประจัสัจธรรมในยินดีในบุญกุศลยินดีทำสบายภาพประทักบกรรมสั่วทั้งหลายนั่นเรียกว่าคนทาน ในการที่ไม่พบกับคนทานก็จะไม่ทําให้ตัวของเราเป็นทานไปด้วยเพราะถ้าไปพบคนทานเราก็จะคอยเป็นทานไปด้วยไม่เคยเป็นโจรไปพบกับโจรไปอยู่กับมูลโจรก็จะกลายเป็นโจรไปไม่เคยโกหกหลอกลวงทางไปมาหาสู่กับคนโกหกหลอกลวงทางก็จะทําตัวของเราให้ ตายเป็นคนโกหกลองผ่านตายเป็นผู้ทำบาปเพราะไปคบคฆาตสมาคมกับคนผานเพราะว่าการครบคฆาตสมาคมไปมาหาสู่กันอยู่เรื่อยๆย่อมจะถ่ายทอดความรู้สึกและคิดความเห็นก็จะเห็นไปตาม นั่นเิ็า ก, การสุดท้ายของ ก, การเป็นคนทานไปด้วยเพราะะนัา ก, การไม่พบคนทานติบเป็นอุดมมงคลอันสูงสุดอย่างหนึ่ง น, นี่ในมงคลที่หนึ่งมงคลที่สองปณิตานันจกเสวนาการพบค่าสมาคงซึ่งบัณฑิตนัปาปราบบัญญติผู้รู้เหตุและผลนี่พระพุทธเจ้า เป็นประทานก็ย่อนำมาซึ่งความเป็นบุดมงคลความดีทั้งกายกายและใจดีทั้งในปัจจุบันและดีในเบื้องหน้าได้เพราะการพบค่าสมาคมไปมหาสุขซึ่งนักปฏิบัดิเส้นพวกเรามากราบไหวม า, ว า, มาเนื่องในการทำบุญะระลึกถึงองค์หลวงปู่ในวันนี้ เมมาแรกมีได้พบท่าสมาคมพร ะ, ะพุทธเจ้าพระสงฆ์ผู้อาวุโสและหมู่เพื่อนผู้ยินดีในการทําความดีด้วยกันก็ได้มาสมาทานศีลมาตั้งใจที่จะทำความดีด้วยกายวาจาใจของตนเองในวันนี้นี่มาหามบุญไปยินดีในการทําบุญด้วยกันด้วยกันใน ว, วันมาหานุ่มปราบบัณฑิต ก็กลายเป็นนักราชบัณฑิตขึ้นมาสามารถที่จะทำกุาลความดีให้เป็นนิสัยเป็นปัจจัยในจิตใจของคนเองก็จะได้ประโยชน์เมื่อเราทำความดีในทานนักษาสีวิจเรญเมตตาภาวนานี่มันเป็นจ า, ากบาปจากโทษ เราจะได้อ น, นิสงส์เป็นผู้ไม่มีบาปไม่มีโทษถ้าหาว่าไม่มีอ น, นิสงส์แห่งความดีทำแต่บาปทำแต่บา ก, าบา ก, กรรมมันชั่วชติรางก็จะได้รับผลคือความเศร้าหมองมให้เกิดขึ้นนี่เป็นอย่างนี้เพราะฉะนั้นการครบกับนักบาปันิด ย่อมนำมาซึ่งความเป็นโยมมงคลอันสูงสุดบูชาจะบูชานยานังการบูชาบุคบคลที่ควรบูชาบุคคลที่ควรบูชาก็มีพระพุทธเจ้าคุณของพระพุทธเจ้าเป็นคุณอนเอุเสริฐควรกล่าวว่าบูชาลึกถึงน้อมเข้ามาสู่จิตสู่ใจคุณของพระธรรม ถ้าทำมันเป็นคําสอนที่ตัดไปชอบสอนให้ละบาปสอนให้ทํความดีสอนให้รักษาศีลให้เจริญเมตตาภาวนาสอนให้ทําบุญให้ทานมันเป็นคําสอนของพระพุทธเจ้าเป็นธรรมเป็นธรรมประเสริฐเป็นธรรมบ ร, ริสุทธิ์ นี่ควรจึ่งปฏิบัติตามควรน้องเข้ามาใส่ใจควรน้องใบน้องใจของเราขึ้นปฏิบัติตามนี่คุณบองละธรรมคุณของพร ะ, ะสงฆ์สาวกคุณขององค์หลวงปู่ท่านหลวงปู่พระครู่พระอศศีลคุณของพวกเราหลวงปูท่ท่านบวชตั้งแต่น้อยแต่นุ่ง จนถึงสิ้นอายุขัยของท่านท่านประพฤติปฏิบัติศีลธรรมคุณงามความดีนําเรื่องเท่าใดคุณของพระสงฆ์เป็นหมู่พระสงฆ์สาวกของพระผู้มีพระภาคเจ้าที่เรามาบูชาเอากายเรามาบูชาวาจาเรามาบูชาเอาจิตใจของเราเนี่ยมาบูชาบูชาด้วยการ เราพึ่งปฏิบัติด้วยการตากตาหว่าด้วยการทำทานด้วยการสำรวมรั 5, 6, กษาศีล้าศีลแปดเพื่อให้เกิดบุญคือความเย็นความสุขกายสุขใจให้เกิดขึ้นด้วยการพึ่งปฏิบัติของเรานีนเราบูชาบุคคลที่ควรบูชา าสามภาษีที่ได้ยะขึ้นบูชาจากรูชนียานำบูชาสิ่งที่ควรบูชาเม่านั้นสิ่งที่ควรบูชาผู้เมระคุณพระพุพะทธธรรมพระสงฆ์บิดามารดาเต่ว่าบูชาคุณเพื่การบูรษปฏิบัติ เมื่อบูชาสิ่งที่ควรบูชาเพราะยอมนำมาซึ่งบุญกุศลให้เกิดขึ้นถ้าบูชาสิ่งที่ให้เกิดโทษก็จะเป็นโทษขึ้นมาเพราะฉะนั้นไม่มีสิ่งอื่นสิ่งใดที่จะให้เกิดมงคลความสุขความเจริญต่อกายใจของเราจากการบูชาพระคุณประทาประสง ชาพิดามันดาซึ่งเป็นผู้เมตพระคุณและผู้เมพระคุณทั้งหลายเมื่อผู้ประพฤติปฏิบัติตามคาสอนนั่นเองซึ่งเป็นคาสอนของพระพุทธเจ้าก็จะได้รับความร่มเย็นเป็นสุขในเดียวเราประพฤติปฏิบัติตามธรรมะ มีธรรมเป็นเครื่องดาเนินมีธรรมเป็นเครื่องระลึกเป็นทางมพุทธพิจารณาคนเราเกิดขึ้นมาเนะี่ยแล้วก็มีทุกข์ทุกข์โดยสัจธรรมทุกข์โดยความจริงทุกข์กายเนี่เราเกิดมาในรูปร่างกายเจ็บท้องปวดสีสัดเป็นโนก ไทยท่าเก็บต่างๆอันนี้เรียกว่าทุกโดยสัจธรรมเป็นจริงของเขาอยู่อย่างมัน่นไม่มีใครจะหลีกหนีพ้นจากความทุกเหล่านี้เจ็บท้องปวดศีรษะปวดแขนปวดขา ท, ทั้งนั้นแหละหรือเรานั่งฟังเทศน์ฟังธรรมะที่นี่ยก็มีความเจ็บความปวดความทุกเกิดขึ้นนี่เรียกว่าทุกโดยสัจธรรม นี่แก้ไม่ได้เมื่อเกิดมาแล้วดีผีไม่พ้นจะบอกทุกข์กายอันที่สองก็คือทุกข์ใจทุกข์ใจเนี่ยทุกข์เพราะความหลงจิตความเห็นผิตความเข้าใจจิตสําหรับใจถ้าเห็นถูกเข้าใจถูกจะไม่มีความทุกข์ทางใจ น, นี่เรีว่าทุกข์เพราะความหลงทุกข์เพราะความเห็นผิดไม่เห็นชอบก็เกิดความทุกข์ใจเพราะฉะนั้นท่านยิ่งให้ประพฤติปฏิบัติธรรมะพุทธเจ้าสอนธรรมะเพื่อจะแก้ความทุกข์ทางใจสอนให้รู้ความจริง ท่นดึงสอนให้ภาวนาให้ภาวนาให้เจริญสติสติความระลึรูปให้มีความรู้ตัวรู้กายรู้ใจของตนเองอย่าลืมกายอย่าลืมใจของเราให้เห็นคุณค่าแห่งชีวิตคือกายกับจิตสัมพยุต์กันอยู่ น, นี่เป็นสิ่งที่มีคุณค่ามากสุขและทุกข์เกิดขึ้นที่กายที่ใจสัมผัสกายครับใจคร้บนั้นอย่างอื่นไม่ได้ทุกข์เรียนชาญบ้านช่องของเราเราสร้างมขึ้นมาแล้ว ม, มันไม่ได้ทุกข์มันไม่ได้ดีไม่ได้ชั่วแต่ว่าดีชั่วอยู่ที่คนผู้สร้างผู้ทำ ขึ้นมาได้แบบว่าดีสวยงามหรือว่าไม่ดีอะไรหรอคนผู้ที่สร้างคนผู้ว่าเวียนชาญมั่นช่องวัตถุสิ่งของเหล่านั้นเขาไม่ได้มีทุกข์อะไรแต่ผู้สัมผัสทุกข์รใจเพราะฉะนั้นท่านจึงสอนให้มีสติให้รู้กายรู้ใจ คุณค่าที่แท้จริงที่กายกับใจจริงให้ไม่ให้ลืมตัวไม่ให้ลืมใจไม่ให้ลืมกายอาศัยกายของตนเองอาศัยใจของตนเองอาศัยให้มันดีพากายทำในสิ่งที่ดีพาคิดใจนึกคิดในสิ่งที่ดีไม่ให้ทำสิ่งที่ชั่วสิ่งที่จะให้เกิดบาปอากุศล ดังบาปหาอย่างที่ท่านบอกไว้เนี่การฆ่าการรักการตกทุกิดในการการโอรโกโคดอม ด, ด, ด, คดเท็กลอกรวงฟังการดื่มการดื่มกินเครื่ยงดองออกเมาทั้งหลายอันนั้นมันเป็นเหตุแห่เกิดความปุ้กท่านจึงให้แว่นมาแว่นมรักษาให้ดีมีสติกำกับจิตใจให้นึกคิดในสิ่งที่ดีกายบ่อยทในสิ่งที่ดี วจาจาบอพูดในสิ่งที่ดีๆเรื่องที่ดีๆเรื่องไม่ดีอย่านำมาพูดพูดแล้วมัก็ไม่ได้ประโยชน์นี่เป็นอย่างนั้นทิ่งให้ทําดีด้วยกายด้วยวยจาจาด้วยคิดด้วยจิตใจของเรารวมจิตรวมใจให้สติต่อเมื่องใจยัได้สงบ ใจจะได้ตั้งมั่นเป็นตัวของตัวเองเดี๋ยวใจมีสมาธิหลวงพทธเจ้าสอนสีสมาธิและปัญญาสุดท้ายในภาวนาพิจารณาอนิจจังทุกขังมรรตต์ทุกสิ่งทุกอย่างมันเกิดขึ้นแล้วมันแรปรปรวนไปแม้แต่ร่างกายของเร า, าก็ยังจะต้องแตกดับสลายแยกย้ายจากกันจะไปว่าอะไรแต่สมบัติอย่างนึ่ เงินทองข้ของเราหามาได้ใช้จ่ายไปทงที่ก็หายไปเสียไปเครื่องใช้ไม่ซ้ํยรถลามาชี่ใช้ไปแล้วทังทลายไปเปลี่ยนแปลงไปนี่ท่านให้ภาวนาให้ใช้ปัญญารู้ความจริงของสิ่งทั้งหลายที่เกิดขึ้นตั้งอยู่และดับไปเดี๋ยวให้ใช้ปัญญา พิจารณาให้เข้าใจในหลักธรรมคาสอนของพระพุทธเจ้าที่สอนเรื่องทําให้เที่ยงความทนอยู่ระยิและความหาตัวตนไม่มีอุทายไมมีอะไรเพียงแต่ใจรู้ของเราเท่านั้นนะคิดไปสมมุติว่าอันนั้นของเราอันนี้ของเราสมมุติไปวันหยาดเอาหลงสมมุติกันสมมุติ สมมติว่าหนันเงินของเราหี้นาะของเราบ้านของเร า, เราสมมติอะไรเวลาเปลี่ยนแปลงไปก็เป็นทุนกข์ทุกข์พอสมมุติตนของตนเองหลงเองสมมุติเองแล้วก็เป็นทุกข์เองพระุทธเจา้าดูสอนเรื่องปัญญาให้เจริญปัญญาคือพิจารณาให้ควรให้เข้าใจตามกฎแห่งความจริงคือลักษณะทั้งสาม เกว่าเกิดขึ้นตั้งอยู่แล้เดับไปไม่เทีย่ยบเป็นทุกข์ไม่ใช่ตัวใช่ตนนี่ภาวนาสามอย่างนี้ก็แล้วเมื่อทําความรู้ความเห็นให้เห็นตามความเป็นจริงมันก็จะชะลอความอยากที่เกิดขึ้นในจิตของเราความอยากที่เพิ่เห็นให้เกิดทุกข์เมื่อความอยากเกิดขึ้นเป็นทุกข์เท่านั้นดิ่นลนพันไปเพราะความอยาก ท่านยิ่ให้ภาวนาให้รู้เท่าทันความจยากและภาวนาเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปหรือไม่เที่ยงเป็นผู้ไม่ใช่ตัวใช่ตนเพื่อเป็นการสอนจิตผู้เนึ่มผู้คิดสอนใจผู้รู้ให้รู้ตามความเป็นจริงเมื่อเข้าใจความจริงในเหตุและผลแล้ว ม, มันก็จะวางความหลงไม่มีความยึดความถือ ยิดมั่นถือมั่นไม่มีเป็นธรรมชาติแห่งความรู้ของใจเท่านั้นนั่นจึงว่าอุเบกขาธรรมีความรู้และอุเบกขาเป็นอารมณ์เครื่องอยู่เครื่องรู้ของใจใจสบายนี่สิ้นสุขความทุกข์ทางใจด้วยธรรมะเพราะฉะนั้นพระพุทธเจ้าพระองค์สรา้างบารมีอุตสาห บำเพ็ญบรารมีทั้งสิบประการสูรณ์บริบูรณ์เพื่อจะให้เข้าใจในทางที่จะทำที่สุดแทนทุกทั้งทางกายและทางใจเมื่อได้รู้รอบรมส อ, สอนสอนศีลสมาธิปัญญาสอนทางศีลภาวนานง่าย ให้เข้าใจง่ายๆรวมคำสอนของพธธระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าทรงสั่งสอนสามอย่างสอนให้ละการทำบาปสอนให้ทำบุญทำความดีสอนให้สำระจิตใจให้ปลอดใสนี่เท่านั้นคำสอนมากมายแปดหมื่นสี่พันพระธรรมขันธ์ที่เราศึกษาเราเรียนกันก็รวม ล, ว ง, ลวงมาแค่นั้น แล้วบาปบาปง่ายๆก็บาปง่ายอย่าอย่าไปฆ่าอย่าไปทำลายชีวิตของเขาของเราอย่าไปรักอย่าไปขโมยขโมยของเจ้าของก็บาปเหมือนกันขโมยของผู้อื่นก็บาปมันก็นิตคิดจะคิดขโมยจิตเพราะมันเกิดความโลภความอยากเมื่อมาละด้วยสติด้วยภาวนาเลย เข้าใจนะมันก็รับไดไไ้ไม่รับไม่ขโมยไม่ร่วมเกินสามีภรรยาผู้คลองผู้อื่ันกน็ไม่มีโทษไม่มีโทษไม่ร้อนถ้ากิดคิดที่จะไปร่วมเกินคิดที่จะไปกระทัางร่วมเกินอยู่กับเรื่องเรานี่มันก็ร้อน ถ้าทำลงไปแล้วเป็นทุกข <st> ์อีกร่วมเกินไปแลเป็นทุกข์นี่การรลอกลวงการโกหกหล้มเมาสับสนของผู้อื่นหรือรลอกวงผู้อื่นให้เสียทรัพ์ให้เสียความรู้สึกก็เป็นโทษโทษตามมาการทำสติให้ปันเฟือนเพราะการดื่มกินเครื่องดองของเมาก็เป็นโทษ เมื่อละไม่ทําบุญไม่มีบาปง่ายๆไม่ยุ่งยากเลยการเว่นจากบากและการทําบุญกุศลเมื่อเว่นจากบาปมันก็เป็นการทําบุญกุศลอยู่ในตัวนั้นที่นี่ก็สร้างแต่สิ่งที่ดีๆทําทานภาวนาทําสติปัญญาให้เกิดขึ้นจิตใจเมื่อมีสติควบคุงใจไม่ฟุง้งซ่านไม่ ร, รับกาญ ใจสมอกใจก็สบายหัใจมีสมาธิแล้วก็มีปัญญารู่รักษาตนเองสอนใจของตนเองให้รู้เหตุและผลเข้าใจในความเป็นจริงเลยมันไม่ปีนเกลียวไม่ตินเกลียวแหมความจริงแล้วใจก็รับวางความคิดผิดความยึดผิดถือผิดใจก็สบาย นี่เข้าใจในธรรมะปฏิบัติธรรมะเข้าถึงธรรมะแล้วนี่ความสุดแท้จริงนี่พระเจ้าทรงประทานธรรมะไว้ให้พวกเราศึกษาแล้วก็ให้ประพฤติปฏิบัติใม่ใช่ศึกษาเสฉยๆศึกษารู้เข้าใจแล้วให้ลงมาทาและปฏิบัติตามนั้นนี่เรียกว่าปฏิบัติตามผู้ได้ยินได้ฟัง คมสอนของนักบวาปดิดแล้วผมขึ้นปฏิบัติตามยอดเลรับผมคือความสุขความเจริญสุขทั้งกายสบายทั้งใจเจริญท nice ั้งในปัจจุบันและในภพเบื้องหน้าก็จะเข้าถึงสุขติโลกสวรรค์พบภูที่สูงยิ่งขึ้นไปด้วยอำนาจแห่งความเป็นมงคลที่ได้ขึ้นปฏิบัติตามคาสอนของพระพุทธเจ้า ว่าไม่พบคนลายมงคลที่หนึ่งที่สองพบค่าสมาคมกับนักปราบดิตและก็บูชาสิ่งที่ควรบูชาจากพวกเราได้กระทาในวันนี้นี่แหละเป็นธรรมะที่นำมาสี่แจสแสดงเตือนจิตใจของพุทธบริษัททั้งหลายเมื่อได้ยินได้ฟังแล้วจงโอภาาาิญนโองเข้าสู่สู่ใจ น้อมนำกายว่าใจใจของตนก็ะพฤตปฏิบัติตามศาสนาธรรมคำสอนขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าต่อจากนั้นไปพวกเราจะประสบพบแต่ความสุขความเจริญในศาสนาธรรมคำสอนข อ, น อ, นอนงองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้ายิ่งขึ้นไปในที่สุดแห่งการสแสดงพระธรรมเทศนาในวันนี้ใอาภาพขออธิษฐานจิตอัญเชิญคุณราศีร า, ราตมตร ตาแล้วคุณคุณของพระพุทธเจ้าและทมพระอริยสงฆ์สาวกและคุณของหลวงปู่ทันพระพัสโรซึ่งเป็นพระบุรพ า, าจารย์ที่เคารพนับถือของพวกเราจงรวมเป็นเดชะเป็นกำลังอันยิ่งนุนนำดวงกิตดวงใจของพุทธบริษัททั้งหลายที่ได้มาร่วมกระทำบาเพ็ญ ผู้สนบุญอันดีอันเลิศในวันนี้ด้วยการบูชาพระคุณของ พ, พระพุทธพระธรรมพระสงฆ์อุบาจาร์ดังที่กล่าวมานี้และบุญที่พวกเราเราจะทำแล้วจงรวมเป็นกำลังนงนำพระพุทธรรมทั้งหลายได้ประสบความสุขความเจริญ มีความสุขด้วยอายุวันณนะัสุขาภิรัปฏิธาณาาในสารสมบัติแน่ป่าธนาสิ่งใดเป็นไปโดยชอบประกอบ ด, ด้วยความเป็นธรรมแล้วเพราะสิ่งนั้นจงเป็นคนสำเร็จจงเป็นคนสำเร็จจงเป็นคนสำเร็จให้ขอในความสุขในที่ทุกสถาน ในการทุกเมื่อจนทุกท่านทุกคนเธอ